ที่มาฟ้อนรำหน้าเทวสถานนั้นเป็นใครอุบาสกหญิงนักฟ้อนประจําเทวสถานฟ้อนรำทําไมบูชาเทวะรูสวยไม่รักท่านสมณนะริรานาชมหมากทีเดียวเอานัน่นนันท่านสมณะจะไปไหนละ่ะอาตมาจะกลับไม่ดูการได้รําก่อนเหรอไม่ล่ะอาตมาไม่อยากดูปกของอสวยๆ ง, งามๆไม่อยากดู ปกคลุมอยู่ได้ไม่นานพระจันทร์ข้างแรมก็อุทัยขึ้นทางเบื้องบุรพาทิตต์ราดแสงขาวนวลเย็นลงอาบ พ, พื้นพิภพนั่งอยู่ในความสงบมองดูพระจันทร์กดคิดถึงเหตุการณ์ที่เผชิญหน้ากับลีลาวดีหรือรัตปาณีไม่ได้ถ้าจะพูดถึงเหตุผลรู้สึกภูมิใจที่สามารถพาตัวพ้นปากเกี่ยวปากากามาได้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของลีลาวดีหรือพราหม์หัวหน้ากองเวียนเพื่อเป็นสาวกของนักบวชอื่นซึ่งมุ่งหมายจะใช้ลีลาวดีเป็นเครื่องมือแต่โดยอารมณ์แล้วรู้สึกเศร้าใจอย่างลึกซึ้งที่ทําให้ลีลาวดีต้องผิดหลังอย่างรุนแรงการที่ตัดสินใจทําไปอย่างนั้นเป็นการถูกต้องแล้วหอ ไม่ถูกต้องแน่นอนอุบาสกว่าไม่ถูกต้องแน่นอนท่านสมณะเรื่องราวที่ท่านเราให้ฟังข้าพาเจ้าเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเป็นการทารุณต่อริลวัดีเกินไปทารุณอย่างนั้นเลย อ, อุบาสกข้าพาเจ้าเข้าใจว่าอย่างนั้นถาดก่อนท่านหนีจากกรุงสาวัตถีไปอยู่กรุงราชครึกริลวดีอุตสาสะระเคห์จะฐานบานหรือ แระมารดาบังเกิดกล้าออกบวชเป็นภิกษุณีดันดลตามไปจนพบทันที่พระเวรุวานารามแต่ในชาติอันเต็มไปด้วยความเศร้านั้นทันได้ตอบแทนความรักความบูชาอันสูงต่งของเธอโดยความเฉยเมยและกระแทกแบกดันแล้วผลเป็นยังไงเธอก็ลมเจ็บต่อมาละเธอถึงแก่ความตายแต่ความรักของเธอก็ไม่เปลี่ยนแปลง มัจจุราชไม่มีความหมายใดๆสำหรับเธอพลังแห่งความรักอันดุนแรงได้ส่งให้เธอไปเกิดใหม่ในตระกูลเศรษฐีแห่งพาราณสีพอเติบใหญ่รู้ความเธอก็ร่ำร้องถึงคนรักอีกถูกแล้วในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเดินทางไปพบคนรักที่กรุงราชคจริแต่เมื่อได้พบคนรักในระหว่างทางโดยบังเอิญ หัวใจในน้อยอันน่าสงสารของเธอก็ถูกใครยี่ย่างทารุณด้วยน้ำมือของคนรักเป็นครั้งที่สองยางนี้แล้วท่านยังไม่สงสารอัตมาสงสารอย่างจับใจขอให้เชื่ออัตมาเถอะแล้วน้ำตาของท่านไหลเออออกมาเต็มเบาอัตมาไม่รู้ตัวเลยนีลาวดีฉันจะไปพบเธอ ฉันจะขอโทษเธอฉันเห็นใจเธอแล้วความรักอันบริสุทธิ์และเป็นอมตะของเธอควรจะได้รับการตอบแทนดีกว่านี้ เข้ามาบินขบาทในกรุงพาราณสีแต่เชา้าเดินไปนตามถนนหน้าปราสาทเมติยเศรษฐีซึ่งมาดูรักราวไว้แล้ววันก่อนเท่าที่รู้มาตระกูลของท่านเมติยาเศรษฐีเป็นตระกูลสัมมาทิฐิศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครางพระบรมาศาสดาได้เสด็จมาโปรดพระปัญจ ว, วัคคีผู้ที่อยู่ในป่าอิสิปั ต, ตนมนรขท า, ขา ย, ยวัน เมื่อเกือบสี่สิบปีมาแล้วยังไงเสียท่านจะต้องใส่บาตรแก่พระภิกษุแน่นั่นยังไงมีคนมาใส่บาตรหน้าประสาทผู้ที่ใส่บาตรเห็นจะเป็นนางทาสี นิแปลกใส่บาทให้แล้วจะไม่ยอมไปยิงยืนเฉยอยู่อีกใครจะขอรับเป็นครั้งที่สองเมื่อต้องการก็จะตักให้อีกอ้าวเอามือปิดบาทรซะแล้วดูก่อนน้องหญิงอาตมาเป็นพิสุต่างถิ่นเพิ่งมาถึงพระนคร น, นี้เป็นครั้งแรกอาตมาอยากจะทราบอะไรสักอย่างท่านอยากทราบจะเข้าพระเจ้าน่ะเหรอถูกแล้ว น้องหญิงพอจะบอกอาตมาได้ไหมท่านต้องการอยากทราบอะไรล่ะเจ้าของบ้านหลังนี้มีนามว่าอะไรเจ้าของบ้านหลังนี้นี่เหรอท่านชื่อเมติยเสรษฐีอย่าหาว่าอาตมาละลาบ ล, ละลวงเลยอาตมาอยากทราบต่อไปว่าท่านเศรษฐีมีบุตรธิดาบ้างหรือไม่มีบุตรือธิดาธิดาท่านมีธิดาอยู่คนเดียวชื่ออะไรรัตปานี แต่เธอเรียกตัวเองว่าลีลาวดีคนอื่นๆก็พลอยเรียกตามไปด้วยอย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วนี่คือบ้านเกิดในชาติใหม่ของลีลาวดีตามที่เห็นในนิมิตขณะเข้าสมาธิอย่างแน่นอนหญิงสาวที่พบประว่ตาสและได้ปฏิเสธเธอไปอย่างไม่อะไรเยดีนั้นคือลีลาวดีนั่นเองท่านถามทำไมอ่ะ เพื่อให้หายสงสัยบางอย่างเวลานี้ทิดาของท่านเศรษฐีอยู่ในคฤหาสน์หรือไม่ไม่อยู่ พี่ดาของท่านเศรษฐีไม่อยู่อย่างนั้นใช่ไหมไม่อยู่หรอกท่านผู้เจริญนางไปไหนล่ะเธอพร้อมด้วยกองเกวียนเดินทางไปกรุงราชพฤกษ์หลายราตรีแล้วเวลาวดียังไม่กลับความวิตกกังวลเกิดขึ้นมาทันทีอยากพบและขอโทษเธอให้เร็วที่สุดเรื่องที่ต้องทนทุกข์ทรมานใจกันมาจะได้จบสิ้นกระสัี แต่ท่าลีลาวดีเกิดไม่กลับกรุงคารานสีเดินทางต่อไปยังกรุงราชคฤห์ละ่ะจะทํายังไงท่านผู้เจริญมีอะไรกับทิดาท่านเศรษฐีมีเรื่องที่จะสนทนา ด, ด้วยนิดหน่อยน้องหญิงรู้ไม่ว่าลีลาวดีเดินทางไปกรุงราชคฤห์เพื่อประสงค์อะไรเธอบอกว่าจะไปพบคนรักในชาติก่อนมีด้วยล่ะคนในชาติก่อนข้าพระเจ้าก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันเพิ่งจะไม่เห็นและได้ยินนี่ลหละน้องหญิงเห็นแล้วก็ได้ยินยังไงตั้งแต่จำความได้เป็นต้นมาเธอร่ำร้องหาภิกษุรูปหนึ่งอยู่ตลอดเวลาภิกษุรูปนั้นชื่ออะไรเรวัตตและยังไงอีกเธอพยายามรบเร้าให้ใครๆพาไปกรุงราชครื่อมานานหลายปีแล้วแต่เพิ่งจะมาสำเร็จคราวนี้ขอบใจ อาตมาไปก่อนละเดี๋ยวก่อนท่านผู้เจริญมีอะไรน้องหญิงสงสัยอยากทราบว่าท่านเดินทางมาจากไหนอาตมามาจากเมืองราชครึกมาจากเมืองราชครึกท่านผู้เจริญมาจากเมืองราชครึกถูกแล้วน้องหญิง อาตมาไปได้แล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งไปท่านผู้เจริญมีอะไรอีกละ่ะอยากจะถามอะไรท่านสักอย่างหนึ่งถามมาได้เลยอาตมารู้จะได้ตอบถ้าท่านมาจากเมืองราชคฤห์เชื่อว่าท่านคงรู้จักพระเรวตัตตาคนรักของลีลาวดีอาตมารู้จักพระเรวตัตตาดีถ้าเท่ากับตัวของอาตมาเองเวลานี้ท่านยังอยู่กรุงราชคฤห์หรือเปล่า ลีลาวดีจะมีโอกาสได้พบคนรักของเธอไหท่านผู้เจริญพระเรวัตะจากกรุงราชคือไปแล้วถ้าอย่างนั้นนายหญิงของข้าพเจ้าก็พลาดกับคนรักนี่สิพลาดแน่นอนแต่จะอย่างไรก็ตามนายหญิงของข้าพเจ้าจะต้องตามหาจนพบมั่นใจจนขนาดนั้นเชียวหรือนะข้าพเจ้ามั่นใจมีอะไรที่ทำให้มั่นใจเพราะนายหญิงข้าพเจ้ามีใจมั่นคง ทำอะไรทำจริงหากไม่สาเร็จจะไม่ยอดท้อว่าแต่ท่านทราบไหมว่าพระเวสสัตะเดินทางไปไหนไปกรุงพาราณสีก็ที่นี่นะสิถูกแล้วเวลานี้ท่านก็ได้เดินทางมาถึงกรุงพาราณสีแล้วเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าพังไปนิมนต์กลับมาก่อนท่านผู้เจริญคงไม่ได้ยิน พออยังชีพสําหรับวันนี้ท่านจะไปไหนต่อตอนนี้ยังไม่ไปไหนจะทําพัฒกิจได้ต้นไทรนี้รู้สึกว่าตอนเช้าอย่างนี้มีผู้คนมาสักการะบูชาเทวรูปกันมาถูกแล้วท่านสมณะม า, นะมากซะ ก, กว่าตอนเย็นกรุงพารณาณสีในฤดูนี้ผู้คนพุกพล่านมากกว่าฤดูอื่นฤดูแรงนี่นะ่ะหรือดูแรงนี่แหละ ผู้คนจากภาคต่างๆของชมพูธวีดเดินทางมาอาบน้ำร่างบาปในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์เชิญท่านกระทำพัฒกิจถึงท่านสมณะ ธรรมนาทำพัตนกิจเสร็จแล้วเรออาตมาทําเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยากจะนั่งพักผ่อนเชิญท่านสมณะาข้าพเจ้าจะไม่รบกวนละเอไม่รู้ว่าท่านสมณะสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าอาตมาสังเกตเห็นท่านสมณธสังเกตเห็นอะไรหญิงสาวสองคนแต่งกายด้วยผู้สาอภร์สวยงามนางเดินตรงมาทางนี้แล้ว ดูเหมือนต้องการจะมาหาท่านสมณพคารวะท่านสมณ น, นะตามสบายเถอะน้องหญิงเข้าไปเจ้าชื่อสุดที่นี่ เพื่อนของเทพเจ้าคนนี้ชื่อนิมมาลาเราเป็นเทวทาสีฟ้อนรำถวายเทพเจ้าประจำอยู่ที่เทวสถานนี้วิธุระอะไรล่ะคือว่า อ, อ, อ, อมีอะไรก็พูดไปเถอะเธอพูดสินิมมาลาเธอพูดเ <c oughs> ถอะสตีลีน <c oughs> ี้ไหนเธอเคพูดมาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเธอพูดเก่งพูดดีกว่าอย่าโมาเก่งกันเลยพูดเก่งหรือไม่เก่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญ ขอแต่ให้ฟังเข้าใจเท่านั้นมีอะไรละ่ะไม่มีอะไรหรอกท่านผู้เจริญอ้าข้อด้าทำไมลัในมลาค้อสิพูดแล้ไม่พูดให้ตลอดอัตมากำลังฟังอยู่ถ้ายังไม่พร้อมที่จะบอกก็ไม่เป็นไรขออภยัยท่านผู้เจริญคือว่าเราเห็นมีพิสูจนในพุทธศาสนามาพักใกล้เทวสถานก็เกิดความสนใจ อยากจะมาสนทนาด้วยเท่านั้นเองอย่างนั้นเด้อตามปกติพระพิสุมักจะท่องเที่ยวไปตามหมู่บ้านตามนิคมชนบท ต, ต่างๆได้รู้ได้เห็นมามากก็เลยคิดว่าบางทีการสนทนา ก, น ก, กับพระพิสุทงไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องปแปลกแปลกใหม่ๆเป็นความคิดที่ดีอตมาเองก็เคยเดินทางท่องเที่ยวมาหลายบ้านหลายเมืองได้รู้เห็นอะไรต่างๆมากมายพอดู ท่านพอจะเล้าให้ฟังได้ใช่ไหมได้สิอยากรู้สิ่งใดโดยเฉพาะก็ถามได้ถามสิสุดที่มีเธอถามก็แล้วกันนิมลาเธอนี่แหละดีแล้วเธอดีกว่าเธอเธอเธอน่าลักเกียงไปอยู่นั่นแหละความจริงก็เป็นเรื่องธรรมดาหญิงสาววัยรุ่นย่อมมีความอายเป็นเจ้าเรือนไม่กล้าพูดกล้าคุยกับคนแปลกหน้า ท, ทั้งที่แย่งกันพูดไม่อยู่ระหว่างพวกเดียวกันถ้าเป็นฝ่ายชนพูดสะกดะ ก, ก็จะเป็นการสมควรไม่น้อยทีเดียวเอาสิเธอถามสิเธอนั่นละ่ะก็เธอนั่นแหละเผาละเอาสิานะอย่าโต้เถียงกันเลยอัตามายอยากถามอะไรสักหน่อยท่านผู้เจริญจะถามอะไร น้องหญิงได้เป็นเทวทาสีฟอนรำประจาเทวสถานแห่งนี้มานานแล้วเถิบอกท่านสมณะซีนิมาลาเธอก็บอกไปซี่สุดที่นี้ท่านปเจต้องมาเกี่ยงราด้วยเธอบอกเธอก็ได้ถูกแล้ ท, ท่านสมณะข่าเข้าใจถูกแล้วข้าพเจ้าเป็นทาสีมาตั้งแต่เด็กๆทีเดียวพ่อแม่นำมามอบให้เทวสถานตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุเจ็ดปีจนกระทั่งบัดนี้ ทำไมพ่อแม่ถึงนํามาบอให้เทวสถานล่ะแรกทีเดียวข้าพเจ้าก็ายังไม่ทราบแต่ว่าโตขึ้นมีคนเล่าให้ฟังว่าเมื่อแม่ข้าพเจ้าเริ่มตั้งครันขึ้นมา น, นั้นทั้งพ่อและแม่ปรารถนาจะให้บุตรในคันเป็นชายเพร่อชาวเมืองพรารันตสีต่างปรารถนาบุตรชายไว้สืบสกุลและเพื่อบุตรชายช่วยพ้นจากขุมนรกพ่อแม่ข้าพเจ้า จึงได้มาบ่นบานต่อเทพเจ้าที่เทวสถานแห่งนี้เพื่อขอให้ได้บุตรชายท่านบ่นบานไว้ว่าบ่นไม่ว่ายังไงถ้ได้บุตรชายวีรษณะงามพร้อมและบุตรคนต่อไปเป็นหญิงท่าถวายเป็นนางเทวทาสีประจําเทวสถานปรากฏว่าบุตรคนแรกคลอดออกมาเป็นชายจริงๆและบุตรคนที่สองเป็นหญิงก็คือข้าพระเจ้าที่เอง ท่านจึงนำมาถวายเป็นเทวทาสีทัานเด็กข้าพเจ้าอายุได้เจ็ดขวบการกระทําเช่นนี้นับว่าเป็นการกระทําทารุณกรรมต่อลูกมากทีเดียวท่านผู้จเจริญเมื่ออะไรนะอาตมาไม่ได้ว่าอะไรเออเธอก็มีความสุขสบายดีในภาวะเป็นเทวทาสีไม่ใช่แหล่ะแรกๆ ก, ก็สุขสบายดีแล้วท่านผู้เจริญเพื่อ เ, เ, เป็นชีวิตที่ไม่มีอะไร นอกจากร้องรำทำเพลงไปวันวันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่เมื่อโตขึ้นมีความคิดข้าพเจ้าก็ อ, อ, อะไรเหรอข้าพเจ้าเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายต่อชีวิตอันปราศจากหลักแหล่งแบบนี้ปราสจากหลักแหล่งยังไงเนื่อว่ามีไรายได้เลี้ยงตนอย่างเพียงพอจากเทวสถานไม่ใช่เลยท่านผู้เจริงเข้าใจผิดไดแล้วอาจจะมาเข้าใจผิดอะไร รายได้ที่เทวสถานแบ่งให้เป็นประกานั้นไม่เพียงพอหรอกรายได้ไม่เพียงพอเลอน้องหญิงไม่เพียงพอแน่นอนอา้าวไม่เพียงพอแล้วทำยังไงข้าเจ้าต้องหารายได้ทางอื่นมาจึงเจอจึงพออย่างเที่ยงไปได้ไม่อย่างนั้นก็คงอดตายแน่แน่ น้องหญิงมีวิธีหาไรายได้พิเศษยังไงคราวนี้เป็นหน้าที่ของเธอบ้างละ่ะดีในไหนเธอก็บอท่านผู้เจริญมาถึงเพียงนี้แล้วก็อบอกให้ตลอดไปไม่ได้ด้วยยังไงไม่กล้าบอกตรงๆว่ากระดาษปากแล้วเราละ่ะไม่กระดาษปากเหรอพูดต่อไปสินะเธอเนี่ยเอาเปรียบจริงลเลยก็ได้เธอจะบอกท่านสมนาเองเอ่อ ท่านปุจจัยเลิร์นถ้าพี่เ่านถามนี่นะท่าไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งถามทำไมอาตมาจะต้องแกล้งถามด้วยก็เพื่อเรื่องนี้เฉยๆเขาก็รู้เป็นทั้งนั้นว่าพวกเรามีรายได้พิเศษยังไงอาตมาไม่รู้จริงๆเพราะไม่ค่อยได้คลุกคลีกับเทวสถานจึงไม่รู้เรื่องอะไรลึกซึ้งแต่ท่านน้องหญิงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรบอกไม่ต้องบอกอาตมาก็ได้ ว่าไงล่ะสุดที่นี้จะบอกดีไหมเธอเห็นว่าควรบอกไหมล่ะเราถามเธอนะสุดที่นี้เธอควรจะเป็นฝ่ายบอกบีไหนไหนก็พูดมาถึงเพียงแค่นี้ละบอกไปเถอะเป็นเรื่องลับก็ไม่ต้องฝืนใจหรอกนะไม่จำเป็นอาตมาจะต้องรู้ก็ได้ไม่ใช่เรื่องรึรับอะไรหรอกคือใครเขก็รู้กันทางนั้นแล้วเขาเพียจะบอกท่านก็ได้ อาตมากำลังคอยฟังอยู่แล้วคือว่าเราเหล่าเทวทาสีเป็นคนสนะัตว์ธนามีหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่ประชาชนพร้อมกับการบูชาเทพเจ้าซึ่งท่านผู้เจริญก็คงรู้อยู่แล้วอาตมารู้และนอกเหนือจากการบันเทิงลนะ่ะท่านผู้เจริญรู้ไหมอาตมาไม่รู้นอกจากการบันเทิงที่การได้รามทาเพลงแล้ว เราจะใออให้อะไรเหรอให้การบัเริดขาที่ให้ข้าจา<ฮ>้างท่านถึงกับตกลตใ่เหรออัตมาไม่นึ ก, กว่าจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นความจริงใช่ไหมเป็นความจริงท่านผู้เจริญไม่น่าเชื่อเลยท่านรู้สึกยังไง ที่พวกเราทำอย่างนี้เป็นการกระทําที่เลวทรามมากแต่ก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนหรอกนะท่านแล้วแต่ความสมัครใจของใครแล้วเธอล่ะสุดที่นีเธออยู่ในจำพวกไหนเขาพระเจ้าไม่เคยหารายได้พิเศษแบบนั้นกับเพื่อนเพราะเขาพระเจ้าเพิ่งมาสมัครเป็นเทวทาศีเมื่อสองเดือนกว่ามานี้เองสุดที่นีไม่ใช่คนเมืองพราณาีหรอกท่านเธอเป็นคนเมืองไหน เธอมาจากเมืองขยาแล้วชันฟังซีตุทิทนีเรื่องราวของเธอเป็นมยังไงมีสาวพระท่านเต็มใจจะฟังไหมอาตมาเต็มใจเล่าไปเถอะก่อนจะเล่าข้าพเจ้าขอถามท่านผู้เจริญหน่อยก่อนอยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยท่านรู้จักความรักไหม เมื่อกี้ถามอะไรอาตมา น, นะสุดที่นี่เขาพเจ้าถามว่าท่านรู้จักความรักไหมคิดยังไงอะจึงได้ถามอย่างนี้เขาพเจ้าอยากรู้บอกมาเถอะท่านรู้จักความรักหรือเปล่ารู้จักท่านเคยรักใครมากๆกหรือไม่เคย เคยรักใครมากๆมาก่อนแล้วถูกแล้วน้องหญิงอัตมาเคยรักใครคนหนึ่งมากทีเดียวถ้าอย่างนั้นท่านก็คงทราบดีว่าความรักมีพลังยิ่งใหญ่เพียงใดอัตมาทราบพลังของความรักนี่เองทําให้ข้าพเจ้าต้องออกจากบ้านมืองมานับเป็นเวลาปีเศษแล้วและอาจจะต้องระเห่เร่ร่อนไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ทําไมจะต้องทําอย่างนั้นด้วย เพื่อที่จะตามหาเขาให้พบเขาเป็นใครล่ะคนที่ข้าพเจ้ารักเมื่อไรจะพบไม่รู้วันไหนอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เด่นหน้าหรือปีหน้าหรืออาจจะไม่มีวันพบเขาเลยก็ได้แต่ก็จะต้องตามหาเขาต่อไปโดยไม่ย่อท้ออย่างนั้นแหละข้าพเจ้าจะไม่ย่อท้อทั้งที่รู้ว่าไม่มีความหวังถูกแล้วท่านผู้เจริญ ทำไมเนอะในระยะวันสองวันที่ผ่านมานี้จึงได้ยินได้ฟังแต่เรื่องขอบคนห ม, มอบกายถวายชีวิตให้แก่ความรักจริงมันเป็นเพียงเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นความตั้งใจของผูดผีปีศาจตนใดตั้งใจจะสอนให้เห็นคุณค่าของความรักท่านพูดจเจริญ น, นิ่งอึ้งไม่ทราบว่าคล้องใจอะไรอยู่น้องหญิงกาลังตามหาคนรัก ถูกแล้วท่านผู้เจริญข้าพเจ้ากําลังตามหาเขาเขาจากน้องหญิงไปกี่ปีแล้วสามปีแล้วแหละท่านผู้เจริญเขาเคยส่งข่าวให้น้องหญิงบ้างไหมไม่เคยเลยหรือว่าเขาจะตายนั่นเหรอไม่เขาบอกว่าเขาจะไม่ตายเขาเขากําลังตามหาสิ่งที่ไม่เคยตาย เมื่อกี้น้องหญิงว่ายังไงนะเขากำลังตามหาอะไรอยู่เขากำลังตามหาสิ่งที่ไม่ตายเขาพระเจ้าคอยเขาอยู่สองปีเต็มเมื่อแน่ใจว่าเขาไม่กลับมาจึงออกตามหาเขาไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ต่างๆเรื่อยมาจึงกระทั่งมาถึงกรุงพารณาณสีนี้จึงเข้ามาสมัครเป็นเทวทาสีที่นี่เป็นการชั่วคราวเพื่อหาไรายได้เลี้ยงชีพ และเพื่อสืบดูว่าเขาจะผ่านมาแถวนี้หรือไม่ถ้าไม่พบเขาล่ะน้องหญิงจะทำประการใดข้าพเจ้าก็จะออกเดินทางต่อไปเพื่อค้อนหาเขาแล้วน่คิดว่าจะมีหวังได้พบไหมสุดที่นีคิดว่าไม่มีหวังมากกว่าเพราะอะไรเขาคงไม่เดินทางผ่านมาทางนี้แน่แล้วมื่แน่ใจอย่างนี้น้องหญิงจะทำประการใดข้าพเจ้าตั้งใจจะไปจากที่นี่ แต่บังเอิญเห็นท่านซะ ก, ก่อนเห็นอาตมาแล้วเป็นยังไงคิดว่าพระภิกษุเดินทางท่องเที่ยวมามากอย่างท่านจะต้องรู้เห็นอะไรมามากหรืออาจจะพบเข้าแล้วก็ได้จึงเข้ามาถามดูคนรักองคตที่นีชื่อวินทุกกะท่านผู้เจริญวินทุกกะท่านเคยพบบ้างไหมอาตมายัางนึกไม่ออกวินทุกะเป็นคนชาวเมืองไหนเป็นคนชาวเมืองขยาเหมือนกัน พอสำเร็จการศึกษาจากตักกสซิลาก็กลับมาบ้านแต่มาอยู่ได้ไม่นานเขาก็จากไปบอกว่าจะแสวงหาคนที่ประกาศตนว่ามีความสุขเขาบอกว่าจะกลับมาภายในสองปีเป็นอย่างช้าแต่นี่ครบสองปีแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาสุดที่มีจินที่ออกตามหาเขาจากคำของนิมมาลาที่เราทำให้หวนคิดถึงชายคนหนึ่ง เขาบอกชื่อวินทุกกะเหมือนกันกำลังแสวงหาคนที่มีความแต่ก็เกือบปีมาแล้วที่พบชายคนนี้ท่านเคยพบชายหนุ่มที่ชื่อนี้บ้างหรือไม่อาตมาเคยพบเขาครั้งหนึ่งท่านเคยพบเขาถูกแล้วสุธีนีท่านเคยพบเขาที่ไหนที่ตำบลแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงราชครึกท่านแน่ใจหรือว่าเป็นเขาเขาบอกกับอาตมาว่าชื่อวินทุกะ กำลังฝ่าหาคนที่มีความสุขถ้าอย่างนั้นก็ใช่เขาแล้วเขาพเจ้าดีใจและมีความสุขเหลือเกินถึงแม้แค่ได้ยินชื่อและรู้ว่าเขายัางอยู่นีมมาลาเรากลับกันเถอะข้าพเจ้าขอลาท่านผู้เจริญเชิญน้องหญิงความรักนะความรักเจ้าช่างมีพลังมหาศาลต่อสัตว์โลกอะไรอย่าง น, นี้ สวไปเลยหลานเลยนิ่งเสีเถอะเขาจากหลานไปแล้วเขาไม่สนใจใหญ่ดีหลานเลยสักนิดเดียวที่เขาไม่สนใจใหญ่ดีหลานลุงคิดว่ า, ะาอะไรลุงคิดว่าพระภิกษุลูกนั้นน่ะ